เทศช่วงบายนี่ก็เป็นอะไรที่ร้อนนะเหงือแตกกันซิกซิเลยใครมีโทรศัพท์ก็ปิดก่อนเนาะปิดเสียงไว้ก่อนคนเทศก็ปาดเหงื่อไปด้วยแต่ไม่ใช่ปาดเหงื่อเพราะร้อนนะปาดเหงื่อเพราะว่า ถ้าทางจะไม่มีอะไรให้เทศแล้วอาจารย์เทศกินหมดแล้วเวลาคนอิ่มๆเนยเวลาเขาให้อะไรมากินต่อก็ไม่เอาละเบื่อแล้ะอิ่มและเวลากินน้กินตอนหิวนี่จะดีทีนี้กินของเค้าแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นกินของหวานก็ยังพอกินต่อได้อีกหน่อยหนึ่งนะก็ออกตัวว่าเป็น เป็นพระนักเรียนนะพระนักเรียนก็าอาจจะไม่ได้เทศแล้วดีเหมือนครูบาอาจารยนะ์ก็เอาตามที่ได้เรียนรู้ศึกษาเท่าที่พอจะมีความสามารถเก็บเล็กผสมน้อยออามาชี้แจงเอาม า, สาแสดงเอามาบอกต่อให้รับรู้รับฟัง ส่วนถ้าใครที่สงบอยู่แล้วก็เป็นการดีแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ทำความสงบก็เรามีครูบาอาจารย์ได้บอกสอนวิธีทำความสงบแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในการที่เราจะนำความสงบอันนั้นให้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการฟังธรรมเพราะการที่ฟังแต่หู แต่ใจไม่สงบมันก็เอาไปเป็นแค่ความจาแต่มันยังไม่เปลี่ยนเป็นความเข้าใจคือมันยังไม่ลึกซึ้งลงไปในใจแต่อะไรที่มันจะทำให้ธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไปแจ่มแจ้งปรากฏที่ใจอันนั้นก็คือกำลังของความสงบกำลังสมาธิที่ผู้นั้นผู้นั้น ได้สั่งสมขึ้นมันจะเป็นตัวเชื่อมตัวเปลี่ยนให้ความเข้าใจความรู้ความจําสัญญาต่างๆเนี่ยเปลี่ยนหรือเชื่อมให้มันไปเป็นความรู้ความเข้าใจที่ใจจริงๆได้เพราะฉะนั้นความสงบก็เป็นสิ่งสําคัญแต่สิ่งสําคัญที่ไม่แพ้กับความสงบก็คือความ ที่เรามีสติที่มันแจ่มชัดเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งเอาไว้ให้มันแจ่มชัดอย่าให้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปไหนหรือว่าซึ้งซึมลงไปพยายามทําความรู้สึกตัวให้อยู่กับตัวแล้วก็ธรรมะที่ฟังมันจะได้เข้าไปที่หูแล้วก็ลงไปที่ใจ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 อีดังโคโยะสะอนุปัดูตังอีดังอนุปัสสะทังเอหิยะสะนิสีดะธรรมังเตเดเสสะมีตตก็ไม่ต้องพนมมือก็ได้นะฟังก็เข้าสมาธิฟังไปไหนๆอานาอรัตนธรรมแล้วก็ให้มันจะเป็นรูปแบบนิดหน่อย ตั้งนโมหน่อยจะได้ดูขลังๆสติก็อยู่ที่ตัวเองนะสติให้เราแจ่มชัดอยู่ที่จมเพาะหน้าอันนี้เป็นเบื้องต้นของการที่เราจะทำธรรมะให้มันแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งที่ใจสิ่งสำคัญบนพื้นฐานก็คือตั้งอยู่บนสติ แล้วก็สติที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าให้เรามานั่งอุชุมกายยังคือยังกายให้ตรงนั่งคูบัลังยังกายให้ตรงนะแล้วก็ดำรงสติเฉพาะหน้านะปริมุขขังนะปริมุขขังก็คืออยู่ที่เฉพาะหน้าอันนี้สำคัญมากนะอย่าปล่อยให้สติของเราเนะี่ยมันเลี่ยนลอย ร้ยไปไหนเวลาที่ความสงบเกิดขึ้นแล้วโดยมากบางทีเราอาจจะปล่อยสติของเราเผลอสติไปเพราะฉะนั้นก็พยายามทําให้สติมันแจ่มชัดเอาไว้อยู่ที่เฉพาะหน้าอันนี้ก็อยากจะย้ําไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะเพราะว่าฟังไปฟังไปก็อาจจะเริ่มเคลิ้มเคลิมหรือง่วงเพราะฉะนั้นก็พยายามรักษากําลังสติคือความรู้สึกตัวของเราเนี่ยให้มันแจ่มชัด ตลอดการฟังเทศของเราซึ่งพระคาถาที่ได้ยกขึ้นไว้เมื่อสักครู่ก็แปลได้ว่าดูกนยะศักดที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดเรืองหนอเอหิย e ะสะนิซีดิก็แปลว่า ดูก่อนยศามามาม า, มานั่งจงมานั่งธรรมเตเดเสศามิเราจะแสดงธรรมให้ฟังแล้วก่อนหน้านี้เป็นยังไงก็ย้อนกลับเรื่องราวไปนิดหน่อยก่อนหน้านี้ก็คือพระยศศักด์ก็คือเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยซึ่งถ้าเรา ไปศึกษาในพุทธประวัติเนี่ยเราก็จะมีเนื้อเรื่องไม่ยาวหรอกสั้นๆคือการที่เราก็รับรู้น่าจะหมดแล้วมั้งนะเพราะเรื่องของพระยาศานี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่จะกล่าวกันต้นๆของพุทธประวัติเลยคนก็น่าจะจํากันได้ดีการที่พระยาศานี่เห็นหมู่บริวารของตนเนี่ย ก็คล้ายๆกับพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสินใจจะออกผนวดก็คือเห็นหมูบริวาร น, นอนอิเล็กเขกขากถึงแม้จะหน้าตาสวยดูดียังไงอนอนไปก็ผ้าผ่อนหลุดบ้างบางคนนอนอ้าปากบ่อบางคนนอนอน้ำลายยืดกิริยามารยาทที่สแสดงออกมาในขณะนอนเนี่ยก็ไม่เป็นที่เย็นตาเย็นใจ พอรพระยาะาหเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกเกิดความสลดสังเวชในสิ่งที่ตนได้รับรู้ได้เห็นก็เลยคิดว่าในบ้านเราที่นี่ทำไมมันวุ่นละเกินใจทำไมมัน ร, ร้าร้อนห ง, งุดหงิดฟุ้งซ่านมันไม่มีความสุขอย่างที่คิดไว้การที่เรามาจัดงาน รื่นเริงก็เพื่ออะไรเพื่อหาความสุขให้ให้กับตัวเองแต่พอสุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือยังคงเหลือความเร่าร้อนรุ่มร้อนคุยง่ายคือใจมันยังหิวอยู่ใจมันยังหิวในอารมณ์ความสุขที่อยากอยากจะได้อยู่ก็เลยคิดว่าโอ้ยทาไมใจมันวุ่นวายแบบนี้ ก็เลยบ่นเพ้อไปโอ้ที่นี่มันวุ่นวายที่นี่มันขัดเคืองก็แลเ้เดินไปหาไปบ่นไปเดินไปบ่นไปก็บ่นไปจนไปตรงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็กำลังเดินจงกรมอยู่พอดีพระองค์ก็ได้ยินโอ้ที่นี่ขัดเคืองหนอที่นี่วุ่นวายหนอพระองค์ก็เลยได้โอกาส แสดงธรรมเห็นผู้มีอุปนิสัยมาแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ปล่อยแน่นอนจะต้องแสดงธรรมให้ฟังเพื่อให้บุคคลผู้มีอุปนิสัยที่สั่งสมมาดีแล้วเนี่ยได้รู้ได้เห็นในความจริงของโลกใบนี้ก็จึงเป็นที่มาของพระคถาที่ได้ยกไว้เป็นนิเขพระบทเบื้องต้น ซึ่งก็แปลเป็นไทยได้ว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดเคืองยะสะเธอจงมานั่งลงเดี๋ยวเราจะแสดงทําให้ฟังซึ่งในตำราก็พูดแต่ย่อๆนะแต่ถ้าเราขโมดให้มันเห็นภาพก็เหมือนเราทุกวันนี้แหละทุกวันนี้เราก็เป็นยังไง เราก็าหาความสุขมีวิธีการหาความสุขต่างๆกันบางคนโดยมากคนโดยมากบนโลกนะก็มีวิธีการหาความสุขอยู่แบบเดียวคือความสุขที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าพูดให้มันเห็นภาพขึ้นก็อาจจะเป็นความสุขที่เราได้ไปทานของ ที่เราอยากทานเป็นอาหารอันประณีตรสเลิศแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนฝูงกับคนที่รักอ่าก็เป็นการหาความสุขแบบหนึ่งได้การไปดูดูหนังฟังเพลงซึ่งมันก็เป็นวิธีการหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วด้วยความหวังว่าสิ่งที่เราเสพจากตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจในใจของเราพอเราเสพอารมณ์ที่มันน่ายินดีพอใจเราก็มีตาักกาะต่อไปว่ามันก็จะนำความสุขมาให้ที่ใจของเราแต่กับคนที่เคยได้ยินได้ฟังในคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงเอาไว้ คำสอนนี่ก็คือไม่ได้เป็นคำสอนที่บัญญัติอะไรใหม่นะก็คือเอาความจริงเนี่ยที่มันมีอยู่บนโลกนี้อยู่แล้วเอามาแสดงแจกแจงให้ได้รับรู้รับทราบกันว่ามันมีความสุขอีกประเภทหนึ่งนะถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นประตูอีกบานหนึ่งที่มันไม่ต้องพึ่งพิงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ต้องไปพึ่งร้านอาหารหรูหรู ไม่ต้องไปพึ่งโรงหนังโรงละครไม่ต้องไปพึ่งหนังละครจากทีวีหรือจากโทรศัพท์ไม่ต้องไปพึ่งเพื่อนพึ่งพ่อพึ่งแม่ไม่ต้องพึ่งใครก็พึ่งที่ตัวเราเองเป็นความสงบที่ระงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความสงบที่ มันเป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าความสงบระงับอันทําให้เกิดอารมณ์ที่เยือกเย็นผ่องใสละเอียดประณีตพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็พูดง่ายถ้าเราได้มาฝึกหัดแบบที่เราทํากันแบบนี้เราก็รับรู้รับทราบได้อยู่แล้วว่าไอ้ความสุขประเภทที่เราได้มาจากการเข้าสมาธิเนี่ย มันเป็นความสุขที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงจากความสุขที่เราได้จากการที่เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมันเป็นยังไงถ้าพูดให้มันวิชาการขึ้นมาหน่อยเนี่ยทางศัพท์ทางวิชาการเนี่ยก็จะนิยามมันว่าเป็นความต้องบอกว่าพระสัสดาแสดงถึงเรื่องทุกข์แต่ทำไม เราถึงบอกว่ า, เ, าเป็นวิธีการหาความสุขมันก็เป็นวิธีการหาความสุขจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงนะแสดงหัวใจสําคัญของความจริงบนโลกก็คือความจริงเกี่ยวกับทุกข์ความจริงเกี่ยวกับเหตุเกิดทุกข์ความจริงเกี่ยวกับความดับของทุกข์ความจริงเกี่ยวกับเครื่องดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ดูแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์นะแต่ทำไมถึงพูดถึงเรื่องความสุขดูเอ๊มมันจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้หรือเปล่าจริงๆมันมันมันมันมาแนวเดียวกันนะแต่อันนี้ก็จะชี้ให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่าในความในการที่เราจะพ้นจากทุกข์ได้แล้วเนี่ยย้อนย้อนไปถึงตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าก็พูดถึงความสุขด้วยนะคือ การที่พูดถึงหรือทำไมถึงพูดแต่เรื่อ ง, งความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ไปก่อนเพราะว่าเวลาคนเรามันมีความทุกข์ใช่ไหมเวลาที่เรามีความสุขและมีความทุกข์เนี่ยวิธีการหาความสุขเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วแต่วิธีการที่เราจะลดทอนความทุกข์เนี่ยวิธีการโดยปกติของเราแล้วที่เราใช้กันเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให้ทุกข์ที่มันมีเนี่ยหมดไปแล้ว ไม่กลับกำเริบขึ้นมาใหม่แต่วิธีที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นำเสนอเอาไว้มันไปถึงจุดตรงที่ทุกดับไปแล้วทุกไม่กลับกำเริบขึ้นมาอีกได้เพราะฉะนั้นหาความสุขแบบตาหัวจมูกลิ้นกายเราก็หาเป็นหาความสุขจากในภายในเราก็หาได้ซึ่งมันเป็นความสุขจาก การหาความสงบในภายในและมันพ่วงวิธีการลดทอนความทุกข์ไปด้วยถ้าเปรียบเป็นประตูอีกบานหนึ่งอันนี้เป็นแพ็กเกจคู่แพ็กเกจที่เราจะลดทอนความทุกข์ด้วยแล้วก็สร้างความสุขที่เกิดในภายในด้วยพร้อมกันแล้วยังไงแล้วการที่อพอพูดถึงเรื่องความทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ไปตรงกับ จุดหมายเป้าหมายวัตถุประสงค์ของศาสนาด้วยซึ่งถ้าเกิดคำถามว่าพระพุทธเจ้าวางแนวทางเป้าหมายอะไรเอาไว้นะบางคนก็มีหลายๆคำตอบบางคนก็อาจจะพูดว่าให้ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ป่องใสซึ่งถูกไหมก็ถูกเหมือนกันนะแต่ก็มันจะมีถูกกว่า น, นั้นอีกนะถูกกว่า น, นั้นอีก คืออะไรถ้าเราไปถึงเรามองไปตรงที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมครั้งแรกกับพระปัญจวัคคีอันเนี้ยมันเป็นการเป็นวันสำคัญมากวันหนึ่งนะของพระพุทธศาสนาวันอาสาละหะเพราะอะไรเพราะการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีได้ฟังนะแล้วพระอัญญากรทนัญษ์ก็ได้ มีความเข้าใจในความเป็นจริงหรือที่เราได้ใช้ศัพ์ว่าดวงตาเห็นธรรมมีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์แสดงแล้วก็มีความซาบซึ้งจนรู้สึกว่าเราอยากจะติดตามเราอยากจะประพฤติในข้อปฏิบัติที่พระพุทธองค์จะแสดงต่อไปอีกให้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกก็จึงกราบทูลขอการอุปสมบท พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานการอุปสมบทแก่พระอัญญากรุณัญะก่อนเพื่อนเลยซึ่งอีกสี่องค์ที่เหลือก็ยังยังยังไม่ได้ทูลขอการอุปสมบทก็ให้กับพระอัญญากรุณัญะซึ่งทูลขอก่อนแล้วการบวชตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บวชเหมือนสมัยนี้เป็นการบวชโดย พ, พิธีกรรมง่ายๆ โดยการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเพื่อรับเข้ามาเป็นหมู่เป็นพวกซึ่งคําพูดก็ง่ายๆแค่ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแค่นี้ก็เป็นภิกษุแล้วนี่แหละสําเร็จการบวชสมัยนั้นเราจริงเรียกว่าเป็นวิธีการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือการบวชแบบเรียกให้มาเป็นภิกษุคือการยอมรับเข้าหมู่เอง แต่คีย์สำคัญเนะี่ยมันอยู่ต่อจากนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดมันจะมีต่อนะทําอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดทุกข์โดยชอบคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์และทําที่สุดทุกโดยชอบสองตัวหมายถึงว่าถ้าเปรียบเหมือนกับแผ่นดิน เลยสุดขอบของแผ่นดินใบเนี่ยมันก็เป็นทะเลมหาสมุทรมันก็ไม่ใช่พื้นดินแล้วมันก็เป็นพื้นน้ำแทนทุกมันมันก็เปรียบเทียบได้ชันนั้นเหมือนกันเวลาที่เราไปถึงที่สุดทุกแล้วเนี่ยข ย, ยับออกไปหน่อยหนึ่งมันไม่มีทุกแล้วก็เป็นเขตแดนที่ไม่มีความทุกว่ายอย่างนั้นท่านจึงใช้คาว่า พรังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งก็จึงพร้อมกับตรงที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าเฮ้ยเราทําไมมาพูดถึงเรื่องความสุขทําไมเพราะการที่เราลดทอนความทุกขจนไปทําที่สุดของทุกข์ได้แล้วเนี่ยมันเป็นพรังสุขขังคือความสุขอย่างยิ่งความสุขภาษาวัยรุ่นมันก็ต้องแบบสุขสุดๆแต่สุดๆมันก็ยังแบบมันก็ใช้ใช้เปรียบเทียบได้ไม่ดีพอ แต่คือมันดีอะ่ะดีมากเฮ้ยยังไงคนที่ได้ยินได้ฟังคาสอนก็จะเหมือนมีวิธีมีประตูสองบานประตูวิธีหาความสุขแบบแรกแบบแรกแบบที่เราได้คุ้นชินกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกได้รับการบอกสอนกันมาว่าเวลาเราจะหาความสุขเราจะทำยังไงเราจะเวลามีความทุกข์เราจะหาความสุขมากลบยังไง ปลอบใจกันยังไงเราจะไปพาเขาไปดูหนหลังฟังเพลงพาเขาไปพักร้อนยังไงเพื่อให้เขาคลายจากความทุกข์แต่พระพุทธเจ้าก็นำเสนอประตูอีกบานหนึ่งที่เป็นประตูที่ทำให้เราได้รู้ได้เห็นว่าวิธีการหาความสุขเนี่ยมันมีอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นการสงบระงับสิ่งเหล่านั้นด้วยที่ สงบประงับจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหลักๆคือสงบประงับลงที่ใจคือใจเรามันไม่ไปผูกกับสิ่งเหล่านั้นก็ขึ้นชื่อว่าเราได้สงบสงบประงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ถ้าเรายังปิดตาปิดหูปิดปากแต่ใจเรามันก็ยังง้วนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยความสงบประงับมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ใจของเรา ความสงบระงับมันจะปรากฏขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่แค่ปิดตาปิดหูหรือไม่ขยับแต่เป็นการที่เราปิดตาปิดหูเพื่อเพื่อจะเอื้ออํานวยให้ใจของเราเนี่ยมันสงบระงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นการฝึกนี่แหละพอเราฝึกดีแล้วมันเป็นยังไงมันก็เป็นไปเพื่อที่ว่า เราลืมตาเราก็สงบประคับได้เราฟังเราก็สงบประงับเป็นเราก็ใช้ชีวิตในแบบที่มนุษย์ทั่วไปธรรมดาเขาใช้กันแต่เราก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าใจเรามันอยู่เหนือความธรรมดาไปแล้วอยู่เหนือความธรรมดาคืออยู่เหนือความปรุงแต่งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจเราไม่เกาะเกี่ยวในสิ่งเหล่านั้น ใจจึงสงบประงับอยู่ได้ความสุขจากการที่ได้สงบประงับความวุ่นวายจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็เกิดขึ้นได้ทีนี้ความสุขเนี่ยพอมันมีความสุขประตูความสุขสองบานมันก็ชี้ให้เห็นเลยว่าประตูความสุขแบบแรกเนี่ยก็นิยามได้ว่าเป็นความสุขแบบวุ่นวาย ใจมันยังวุ่นวายอยู่ไอความสุขประตูแบบที่สองเนี่ยแบบธรรมะเนี่ยก็คือเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นความสุขแต่สิ่งที่ที่มันเป็นก็คือความสุขที่ใจมันไม่วุ่นวายความสุขที่เราได้จากแบบเก่านะแบบโลกโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสุขแบบวุ่นวายความสุขที่เราได้จากธรรมะอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขที่มันไม่วุ่นวายวุ่นวายก็เหมือนอย่างที่ พระยศ ะ, ะเป็นนั่นแหละกันที่มีเงินมีทองใช้ไม่เดือดร้อนหนาวร้อนก็มีเครื่องบําบัดหนาวบําบัดร้อนป่วยไข้ก็มียารักษาเป็นเรื่องแบบเข้าถึงในปัจจัยสี่ได้ง่ายเข้าถึงในปัจจัยสี่อันละเอียดประณีตได้สบายๆไม่ต้องดินดน้นรนแล้วยังไงสิ่งที่มันปรากฏก็มันชี้ให้เห็นอยู่แล้วไม่ว่าเฉพาะพระยศะ แต่เราก็สัมผัสได้มันเป็นกันทุกคนใช่มมันเป็นเรื่องของใจที่เราสัมผัสได้อยู่แล้วว่าแม้ว่าเราจะเสพจากความสุขตาหูจมูกลิ้นกายยังไงก็แล้วแต่น่สิ่งที่มันหลงเหลือก็คือความวุ่นวายในใจความที่ใจเนี่ยมันยังหิวอยู่มันยังไม่เต็มมันยังไม่อิ่มมันยังต้องการอยู่เรื่อยมันสงบแบบวุ่นวายเอ้มันมีความสุขแบบวุ่นวาย ในทำนองกลับกันในการที่เรามาเข้าสมาธิแบบนี้นี่ใจเราสงบเยือกเย็นใจเราไม่ไม่วุ่นวี่วุ่นวายไม่ต้องไปแสวงหาอารมณ์จากไหนมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างมองไปมันก็พอมันอิ่มมันพอมันอิ่มไปหมดมันมันเปรียบเทียบกันได้ด้วยใจของตนของตนนะซึ่งอธิบายไปมากก็ ฟั่นเฟือซึ่งแต่ละคนแต่ละคนก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าไอ้ความสุขที่มันวุ่นวายมันอย่างดีแต่มันดีไม่สุดแต่ความสุขที่มันไม่วุ่นวายเนี่ยถึงมันจะยังไม่สุดจริงตอนนี้แต่ถ้าเราไปสุดทางได้แล้วเนี่ยมันดีจริงมันเป็นใจที่ไปถึงความสุขที่เรียกบรมสุขได้จริงๆเป็นความสุขที่มันไม่หว่นไหวไม่คลอนแคลน เป็นความสุขที่มันเที่ยงมันตั้งมั่นอยู่เพราะฉะนั้น เ, เราก็จะมีวิธีหาความสุขได้สองแบบสองแบบแบบเก่าเราก็หาเป็นแบบใหม่เราก็หาได้ทีนี้พอเรารู้จากวิธีหาความสุขแล้วเนี่ยเราก็มาลงลึกในรายละเอียดลิดหนึ่งที่ว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากจะนําเสนอวความสุขแบบใหม่ให้กับชาวโลกแล้วเนี่ยก็พูดถึงเกี่ยวกับความทุกข์วิธีป้องกันความทุกข์ด้วยทีนี้เรามาแจงมาทําความเข้าใจให้มันตรงกันสัหน่อยหนึ่งก่อนว่าความทุกข์เราต้องเข้าใจให้มันตรงกันนิดหนึ่งเราจะได้พูดภาษาเดียวกัน หมายความว่าถ้าเราเห็นอันนี้เป็นทุกข์แต่สิ่ง ท, ที่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์มันคนละอย่างกันอันนี้เรามาทําความเข้าใจกันซักนิดหนึ่งแล้วอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงแจกแจงไว้ว่าเป็นทุกข์ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ชาราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกข์ อันนี้ก็เป็นทุกข์ตัวใหญ่ๆละเอียดลงไปอีกเป็นไงโศกะความแห่งใจปริเทวะความร่ําไรรําพันทุกกายทุกขา์าทุกกายทมนัะทุกข์ใจอุปายาสะความแคบแค้นใจเหล่านี้นี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันอภิเยหิสัมปโยคะคือความประสบในสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิ ป, ปโยคะคือความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ยาปิดฉังนารพาติตามปดทุกขงังอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็ขมวดรวบยอดมาตรงที่สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาก็คือโดยย่อขันห้าเป็นทุกข์ซึ่งอันนี้พูดยากอธิบายยากแต่ก็โชคดีที่ว่าอาจารย์มหาภัยบูลท่านก็เทศไปแล้ว สังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาเพราะนั้นก็มาพูดทุกตัวแรกดีกว่าชาติพิทุขาชาคือความเกิดเป็นทุกข์พอมีชาติเนี่ยชาคือความเกิดเป็นทุกข์นี่โอ้ยทุกเยอะแยะเลยเต็มไปหมดนะไอ้ที่ว่ามาทั้งหลายเนี่ยก็ตามมาเป็นพรวนเลยไม่ว่าจะเป็นชารามรณะ พยาธิโศกะปริเทวะทุกกายทุกโทมนาทุกใจปายาสะความแคบแค้นใจโอ้ยเต็มไปหมดพูดอย่างนี้ก็ยังดูแบบจับต้องยากนิดเลยอไม่ต้องไปดูไกลเอาดูตัวเองนี่แหละเป็นเด็กก็ทุกแบบเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ทุกแบบผู้ใหญ่ เป็นคนแก่ก็ทุกแบบคนแก่นั่นะเด็กก็มีความทุกข์ไม่ใช่มีแต่ความสุขอย่างเดียวเที่ยวเล่นมีความสุขอย่างเดียวก็ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่มีงานมีการทํามีเงินใช้นะมันก็มีความทุกข์ในแบบผู้ใหญ่นี่ภาระมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลผู้ใหญ่ก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กนะมีเวลาหาความสุขตาหูวจมูกลิ้นกายได้ เป็นเด็กก็อยากจะโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆไม่มีตังค์ไงอยากมีตังค์เรียนเรียนหนังสือก็รู้สึกน่าเบื่อวันๆก็มีแต่เรียนหนังสือเรียนหนังสือหาความบันเทิงจากการเรียนก็ไม่ได้มันก็ปิดความกงุดหงิดไปที่ใจทั้งนั้นแหละมันเป็นความทุกข์ในคนละแบบพอโตมาค่านิยมในสังคมก็ปลูกฝังให้เรามีคู่ ถ้าไม่มีคู่ก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มั่นคงสุ่มเสี่ยงกับความทุกข์อีกเพราะเรามีค่านิยมต้องบอกว่าค่านิยมนะไม่ใช่ความจริงนะเป็นตักกะชุดตักกะความคิดที่เขายัดใส่ในหัวเรามาพอโตแล้วก็ต้องมีคู่มีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีลูก พอมีลูกก็หวังว่าจะให้ลูกมาเลี้ยงดูเราเมื่อยามแก่เท่ามันเป็นชุดตรร ก, กะความคิดที่เขาปลูกฝังเรามาแต่ถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเสมอไปหรือเปล่าเราก็เห็นนะว่ามันจริงอยู่แต่มันไม่ได้จริงทั้งหมดมันเป็นชุดตรร ก, กะที่อาจจะอาจจะดีแต่มันไม่ใช่ใช้ได้กับทุกคน เพรานั้นสิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรถ้าเรากลัวกลัวว่าตอนแก่ไม่มีคนเลี้ยงหรือว่าเราป่วยไข้ไม่มีคนดูแลนะสิ่งที่ที่เราควรจะทําคือเราต้องมีมิตรต่างหากไม่ใช่ไม่ใช่มีลูกต้องมีมิตรเพราะมิตรมีอะไรมิตรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การที่เรามีมิตรดีนะมีทกุก็ร่วมเสพความทุกข์ด้วยกัน มีสุขก็ร่วมแบ่งปันความสุขด้วยกันถ้าเราเป็นญาติกันนะแต่เราไม่มีความเอื้อเฟื้อให้กันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นก็คือก็เหมือนคนแปลกหน้าแต่ถ้าเราไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติสนิทที่คลานตามกันมาแต่เรามีความรักใคร่มีความเอื้อเฟื้อมีความเป็นมิตรให้กันเวลามันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ย มันก็ช่วยเหลือกันไปเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เราผูกใจกันไว้อันนี้ตัางหามันจะมันจึงเป็นเครื่องรับประกันให้ให้กับชีวิตของเราให้ความมั่นคงในชีวิตของเราแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าเราจะไปพึ่งคนอื่นอย่างเดียวนะอันนี้ไม่ถูกสิ่งที่สำคัญคือมันต้องพึ่งตัวเองเสียก่อนทำตัวเองให้มันเต็มเสียก่อน บริบูรณ์เสียก่อนแล้วก็ไปเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นซึ่งถ้าต่างคนต่างทําแบบนี้แล้วเนี่ยสังคมมันก็หน่าอยู่เพราะต่างคนก็ต่างทําให้ตัวเองบริบูรณ์ก่อนที่จะไปเรียกร้องจากใครมันก็ลดการเบียดเบียนกันได้มากเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละวัตะชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเด็ก เป็นเด็กก็โตโตก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกเป็นเด็กก็อยากจะมีคู่มีคู่หาพยายามหาคู่หากันไปจีบคนนั้นจีบคนนั้นเลิกกันไปก็ไปหาันนี้พอเลิกกันไปก็เศร้าใจทีหนึ่งทีก็ตี อ, อกชกหัวฟูมไฟเพื่ออะไรเพื่อเราหวังว่าเขาจะมอบความรักความสุขให้กับเราได้ มันไม่มีหลับบนโลกนี้ใบนี้โลกใบนี้เนี่ยที่มันจะมีคนที่สามารถบริการความสุขให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีอาจจะให้ได้บางครั้งบางคราวและแม้แต่ถ้าเขาสามารถที่จะมีศักยภาพให้ได้แต่ก็อาจจะไม่ถูกใจเราทุกครั้งเสมอไปเขาอาจจะมีให้ได้5หน่วยสมมติเป็นตน้นแต่เราต้องการ สิบหน่วยแปดหน่วยหรือยี่สิบหน่ว ย, ยความสุขที่เขาให้มันก็ไม่พอเราก็ต้องเรียกร้องให้มากขึ้นไปอีกความทุกข์มันก็เกิดขึ้นละบานีเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งเราต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยถ่ายเดียว เพราะฉะนั้นชีวิตมันจริงไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอสักทีหนึ่งยิ่งเรามีความเห็นหรือทิฏฐิที่การที่เราเอาชีวิตเราไปผูกไว้กับใครคนใดคนหนึ่งอย่างผู้หญิงก็ไปผูกกับคนรักผู้ชายผู้ชายก็ไปผูกกับคนรักที่เป็นผู้หญิงหวังซึ่งกันและกันว่าจะให้เขาและเธอมาเติมเต็มความสุขในชีวิตให้กับให้กับตัวเอง แรกๆมันก็อาจจะได้เพราะมันเป็นช่วงโปรโมชั่นในการที่เราก็ปรุงแต่งความยินดีความพอใจของเราไปเองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็เหมือนที่โบราณเขาว่าแรกๆ ร, รักกันใหม่ๆน้ำต้มผักมันก็ยังหวานนะแต่พอแบบพอเก่าๆไปแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดเพราะฉะนั้นการมีคู่เนี่ย มันไม่ใช่เครื่องเครื่องรับประกันความสุขของเราดั้นการที่เราเอาใจเราไปผูกกับใครเอาไว้สักคนหนึ่งมันเป็นเขาเรียกว่ามีความเห็นที่มันสุ่มเสี่ยงเป็นความเห็นที่มันมุ่งหน้ามีหน้าตรงไปสู่ความทุกข์แน่นอนซึ่งความสุขเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้ า, าก็พูดง่ายๆก็คือผ่านมาหมดแล้วแหละผ่านมาจนไม่รู้จะผ่านยังไง ผ่านมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติเจอรักแท้รักเบีแท้รักแท้จนไม่รู้จะยังไงกี่พบกี่ชาติสัวหมายเป็นคู่บารมีนั่นแหละอย่างสมัยนี้สมัยชาติสุดท้ายของพระองค์ก็คือใครพระนางพิมพารู้ไหมพระนางพิมพามีลูกก็เป็นพระราชนิพนธ์แต่สุดท้ายเป็นยังไงก็ คิดว่าความรักในบุตรภรรยามันก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ถึงสุดปลายทางได้เพราะฉะนั้นในวันที่พระราหุลเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จึงตัดใจนะไม่ใช่ไม่รักนะแต่ตัดใจตัดใจที่จะออกบวชเพราะอะไรการที่เราไปเห็นหน้าลูกเนี่ยความรักมันจะเกิดขึ้น ร้อยเท่าพันทวีจากจากที่แค่รู้ว่าอยู่ในท้องนมันก็รักอยู่แล้วแต่ถ้าไปเห็นหน้าได้แตะตัวเนี่ยความรักมันจะเกิดขึ้นไปอีกกำลังใจมันจะมันเขาเรียกว่ามันจะเป็นเครื่องผูกมัดผูกมัดที่เราจะไปให้ถึงสุดปลายทางไม่ได้แล้วทำไมต้องไปให้สุดปลายทางเพราะว่ามันมีความสุขอีกประเภทหนึ่งเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่มัน มันเป็นความสุขที่มันเลิศกว่าดีกว่าเป็นความสุขที่มันควรค่าแก่ ก, การที่ไปสแสวงหาเพื่อจะนำมาให้กับบุตรและภรรยามากกว่าก็จึงตัดใจตัดใจที่จะออกไปสแสวงหาสแสวงหาโมขะธรรมคือธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นพระองค์ก็ออกสแสวงหาอยู่ตั้งหกปี ก็ไม่ได้มาง่ายๆนะไม่ใช่ออกไปโกลนหัวปุ๊บได้รู้ได้เห็นธรรมะปับ๊บไม่ใช่สแสวงหาอยู่ถึง6ปีลัทธิไหนๆที่ว่าดีที่ว่ามีกี่ลัทธิลัทธิก็ทดลองหมดซึ่งหลายคนหลายท่านก็คงได้ฟังที่อาจารย์มหาไพบูรณ์ได้อ่านเกี่ยวกับพุทธประวัติก็คงจะได้ทราบ ละเอียดเพิ่มขึ้นนั่นแหละว่าพระพุทธองค์ทรงตั้งใจอย่างจริงจังจริ ง, รงๆในการที่จะสแสวงหาเพราะตอนนั้นไม่รู้นี่ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีก็ทดลองไปหมดไปคิดว่าเอากินมูลของลูกลูกโคดีก็ไปกินเอาไปทดลองดูเขาว่าดีก็ดีก็ลองดูนะดีไม่จริงก็ เ, เราจะ ไม่เจอผู้คนเลยก็ลองดูเยอะแยะมากมายนะจนเราก็ได้ฟังกันเยาะยว่ามาบำเพ็ญทุกกรกิริยาในตอนสุดท้ายก็คือมากดพระทนด้วยพระทนเป็นต้นแล้วก็มาถึงอดอาหารซึ่งการที่ทำไปอย่างนั้นเนี่ยด้วยความมุ่งหวังว่าทำไปแล้ว มันจะทําให้ถึงที่สุดทุกข์มันก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกมันไม่ได้อยู่ที่ร่างตัวกิเลสคือเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ที่ร่างกายแต่มันอยู่ที่จิตใจเพราะฉะนั้นมันจึงมีวันหนึ่งเนี่ยว่าย้อนไประลึกถึงสมัยวัยที่ทรงพระเยา ที่นั่งอยู่ใต้ร่มไม้นะทำสมาธิแล้วก็เกิดสมาธนะิได้ชาญเกิดความสุขในภายในขึ้นนิวรนคือเครื่องกั้นความดีของใจก็ได้สงบระคับลงไปก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยแหละว่านี่แหละมันเป็นทางเดินเพราะคนเราสุดท้ายเนี่ย ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจึงได้มีพุทธภาษิตเนี่ยที่เราชอบได้ยินได้ฟังกันพระก็ชอบอมเทศบ่อยๆมโนโบุพังขมาธรรมามโนเสรษฐามโนโมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วได้ใจเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์เนี่ยใจมันใหญ่เป็นใหญ่สุขใจทุกข์ใจมันก็ไม่เป็นตะยู่ แต่ทุกกายสุขใจมันก็ยังพอไปได้เพราะย้อนนึกไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยจคิดว่าต้องเป็นทางนี้แหละทางที่บําเพ็ญเพียรทางใจไม่ใช่บําเพ็ญเพียรทางกายหมายความว่าอย่างไงไม่ใช่บาเพ็ญเพียรทางทำตนให้ลําบากอย่างถ่ายเดียวไม่ใช่แต่บาเพ็ญเพียรทางกายแล้วให้มันเกิดความรู้ด้วย รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์อะไรคือความดับของทุกข์อะไรคือเครื่องดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เพราะเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คําเป็นเพียรทางทางใจแล้วก็ตั้งตั้งมั่นมีความตั้งมั่นอย่างจริงจังที่มันทําให้เกิด ความสง่างามถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะดูมันยังไม่สง่างามมากแต่พอพระพุทธองค์ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเลือดและเนื้อนะถ้ามันตราบใดที่มันยังไม่บรรลุรัส ม, มารสัมโพธิญาณนะต่อให้เลือดและเนื้อมันเหี่ยดแห้งไปเหลือแต่ ก, กระดูกเราก็จะไม่ลุกออกจากบัลลังก์อันนี้ ่็คือจะนั่งไม่เลิกนั่นแหละว่ามันเถอะมันจริงแสดงความอาจหานความกล้าหานจากใจจากใจของมหาสัตว์ที่ว่ามีความตั้งใจจริงๆที่จะสแสวงหาความดีสแสวงหาธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจริงๆพอบรรลุแล้วเนี่ยเป็นไงก็เอาธรรมะเนี่ยมา แสดงมาบอกสอนก็มีพระพุทธเกิดขึ้นใช่ไหมพระธรรมคือสิ่งที่พระองค์ได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วพระธรรมจนพระอัญญาโกนรรทัญญะทูลขอการอุปสมบทมันจึงเกิดรัตนนาสามขึ้นแล้วรัตนนาหนึ่งรัตนนาสองมันดีไม่พอกว่ารัตนนาสามหรือเปล่า คือมีรัตนสสามเนี่ยมันดียิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสมบัติเฉพาะพระองค์คนเดียวแต่มันเป็นธรรมะที่พอมีรัตนที่สามเกิดขึ้นคือสังขรัตนเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสิ่งที่พระองค์ได้รู้เห็นแจ่มแจ้งดีแล้ว สามารถทำให้ผู้อื่นรู้ตามเห็นแจ้งขึ้นมาได้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกขบรรลุถึงคุณธรรมอันยอดเยี่ยมเหมือนที่พระพุทธองค์ทำได้มันจึงเป็นเครื่องเครื่องแสดงความดีเลิศความดีงามของศาสนาอันนี้ไม่ใช่ดีเฉพาะ พระพุทธเจ้าไม่ใช่ดีเฉพาะพระธรรมแต่พระพุทธเจ้าและพระธรรมดีเลิศขนาดที่ทำให้ผู้อื่นรู้ตามเห็นตามในในธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอันนั้นได้ด้วยแล้วเราก็ได้เห็นนั่นแหละว่าศา ส, สนาก็แพร่กระจายไปจนได้ยั่งยืนยงถาวรมาได้จวบสองพ600แล้วนะหปี ทำไมบอกห0 0้อเพราะว่ามันมีความแคลกเคลื่อนทางการนนะับพอสอนะสมัยพระเจ้าอโศกก็อาจจะตีไปสักบ่วยอีกห้าสบก็จะ พ, สพอสอบสงแล้วยังไงแล้วยังไงพระองค์ก็กลับมาแล้วมันแสดงความดีงามของพระธรรมอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือการที่ไม่ใช่ว่าพระองค์รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วแล้วก็ เหมือนกับคอมพลีทมิชชั่นแล้วก็กลับไปเป็นเจ้าชายเสวยราชสมบัติต่อไม่ใช่สิ่งนี้พระองค์ทำก็คือก็ยังอยู่ในธรรมในธรรมนนี้อยู่ยังอยู่ในเครื่องดำเนินที่ดำเนินแบบนี้อยู่มันก็แสดงให้เห็นว่าพระธรรมดีจริงนะดีจริงซึ่งไม่ต้องทิ้งแล้วก็กลับไปหาหา สิ่งเก่าแล้วก็เอาน้ำธรรมะเนี่ยที่รู้ดีเห็นแจ้งอันนี้แล้วเนี่ยไปประกาศรีบเอาไปประกาศให้หมู่สัตว์ได้ได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะได้รู้ตามเห็นตามธรรมะที่พระองค์ได้รู้แจ้งดีแล้วแล้วก็แจกแจงดีแล้วแจกแจงสมควรแก่เวนยสัตว์แล้วนะเพราะสิ่งที่พระองค์รู้ เห็นเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยมีมากมายแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คัดสรรออกมาเพื่อนำมาแสดงแต่พอจำเป็นไม่ฟันเฟือมากจนเกินไปสำหรับหมู่สัตว์ที่จะรู้รู้ตามเห็นตามพูดง่ายก็ย้อนกลับมาถึงตรงที่ คนเราเนี่ยมันมีความรักเกิดขึ้นตรงไห น, นมันก็มีทุกตรงนั้นแหละรักลูกรักครอบครัวรักผัวรักเมียมันก็เป็นทุกเหมือนกันครอบครัวก็เป็นทุกยิ่งเราเอาใจมีไปผูกกับความรักมันก็ยิ่งเป็นทุกขแล้วยังไงพระพุทธก็กลับมาที่เมืองสิแล้วก็ม า, สาแสดงธรรมโปรดหมูพระญาต แล้วก็แต่ด้วยความาน้อยเนื้อต่ใจน้อยอกน้อยใจเนี่ยพระนางพิมพาก็ไม่มาฟังธรรมนะตอนแรกทีนี้ยังไงหูตรงก็จะไปแสดงธรรมให้ฟังด้วยความดีใจนะไม่ได้เจอกันมาตั้งหกเจ็ดปีอย่างงี้นะก็วิ่งเข้าไปดีมากด้วยความรักด้วยอำนาจของความรักความเยื่อใหญ่ความผูกพันก็มีความ ปีติดีใจเกิดขึ้นโอ้พะสวามีกลับมาแล้วก็เข้าไปกอดที่ข้อพระบาทแล้วยังไงพระเจ้า ก, ก็แทนที่จะโอ้โอ้สับสาสมัยใหม่ก็โอ้โอนะไม่ใช่ก็นำความจริงที่ ที่เป็นธรรมะความจริงที่นำมาแสดงให้ฟังเพราะอไรเพราะไม่ใช่ชาตินี้นะไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวนะที่มีความรักกันผูกพันกันชาติก่อนก็มีไม่รู้ต้องกี่ชาติกี่ชาตินะบำเพ็ญบารมีกันต่างมากมายอย่างชาติก่อนหน้านี้ก็เป็นนะพนางมัทสี ตอนที่บำเพ็ญฐานะพรมีก็ไม่ได้ทะเลาะเ บ, บาแวงอะไรกันก็มีความรักความผูกพันกันดีแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงรักมากก็ทุกมากเนี่ยตอนพระสวามีไม่อยู่เนี่ก็ทุกทุกปรอมใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไม่เห็นทุกข์ของตัวเองรู้แต่ว่าถ้าเราจะทำความทุกข์อันนี้ให้มัน สงบระ ง, งับไปหมดไปต้องได้พระสวามีกลับคืนมาเท่านั้นความเห็นเนี่ยมันไม่ตรงต่อวิธีแก้ทุกข์แต่พอพระพุทธเจ้าเนี่ยเขามาแสดงให้ฟังเล่าอดีตชาตินู่นนี่ให้ฟังโอ้ยเคยเป็นคู่กันมาเนี่ยไม่รู้ต้องเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเพี้ยนไม่รู้มาต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยมั น, น, น ม, ม, มันน่าจะพอได้แล้วนะเบื่อได้แล้วนะ ความรักความเย้ยใยเนี่ยมันก็จะผูกครั้งกันไว้อยู่อย่างนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอมันมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยอย่างชาตินี้นี่ตอนพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายออกไปทรงผนวดนี่โอ้ยเป็นไงเราทุกข์อยู่หกเจ็ดปีนี่ยังไม่พอแรงเหรอทําไมไม่ไม่ปล่อยวางนะความรักนี่มันก็เป็นเหตุนําความทุกข์มาให้ ความผูกพันความยึดถือในความรักในตัวบุคคลมันก็เป็นเหตุทำให้เราทุกข์อย่าไปยึดมันอย่าไปใส่ใจมันปล่อยมันไปแต่พเอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เขาเรียกว่าตามทองเรื่องตามทองเรื่องแต่พอเราละเอียดเข้าไปในใจเนี่ย เราก็จะเห็นเลยว่าวางมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีมีที่อ่ะมีที่มีวิธีการของมันก็คือเราก็ต้องมาหัดฝึกจิตเราเนี่ยให้มันเห็นใจตัวเองซะก่อนให้มันเห็นอารมณ์ในใจตัวเองซะก่อนแล้วยังไงพอเราเห็นอารมณ์เห็นใจเรารู้แล้วว่าอารมณ์ความผูกพันความยึดมั่น มันมีอยู่ในใจเรามันมีอยู่ที่กล้ามท่ามกลางอกของเราเราก็ย้ายตัวตนความเป็นเราความใส่ใจของเราในอารมณ์อันนั้นที่ใจเรามันไปผูกในอารมณ์ันนั้นเอาไว้เราถอนมันออกมาถอนมันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีที่วางหน่อยไม่รู้ถอนไปถอนมาไม่รู้วางไหนมันก็กลับไปที่เก่า เพราะฉนั้นสมาธิสติมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกด้วยเพื่อเอามาใช้ในการการที่เราจะเห็นใจดีขึ้นแล้วเราก็รู้รู้ว่าเรายึดอะไรอยู่เราฝังอะไรไว้อยู่ในใจในจิตของเราแล้วเวลาที่เราอยากจะปล่อยวางมันเนี่ยเอาความผูกพันเอาความยึดมั่นเอาความอะไรอาวรณ์ในจิตของเราเนี่ย ดึงมันออกมาไว้ที่ไหนที่สติที่สติที่มีอยู่กับลมหายใจที่ตั้งไว้อยู่เฉพาะหน้าดึงมันเมาไว้ที่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าความเป็นเราตัวเราอารมณ์ของเรามันย้ายกลับขึ้นมาอยู่ที่สติซึ่งธรรมชาติของสติมันเป็นยังไงมันก็เป็นธรรมชาติที่มันไม่หนัก เป็นธรรมชาติที่มันไม่ได้มีอารมณ์เกาะเกี่ยวท่วมทับมันเป็นธรรมชาติที่มันมีแต่รู้ระลึกรู้แต่ธรรมชาติที่มันสวยอารมณ์เป็นเวทนามันอยู่ในในนี่ท่ามกลางอกของเราเราก็ย้ายความเป็นเราตัวเรายกขึ้นมาไว้ที่สติเฉพาะหน้าแล้วก็ส่งมันไว้ส่งมันไว้เราก็จะเห็นโทษว่าการที่เราปล่อยเผลอสติของเรา มันก็วิ่งกลับเข้าไปที่เก่านั่นแหละกลับเข้าไปยึดแบบเก่ายึดแบบเก่าแล้วก็ทุกแบบเก่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยพยายามมีสติรักษาสติของเราเอาไว้เอาไว้ที่ตรงนี้เอาไว้ที่เพาะหน้ารักษาไว้อย่างนี้เลยจนมันเห็นโทษแล้วแหละว่าโอ้การที่ เรายังมีความยึดมั่นถือมั่นในความอาลายัยอาวรณ์ในอารมณ์มันทำให้เป็นทุกข์เปล่าๆปล่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารถ้าเรายังยึดไว้เรายังมีความเห็นอย่างนี้เกิดมาชาติหน้ามันก็เป็นอย่างนี้อีกอ่ะเราก็ยังอยากยังยึดเพราะเรามีความเห็นว่าเราต้องได้แบบนี้เราถึงจะมีความสุขซึ่งไม่ใช่เพราะ สับเบสรงฆ่าราอนิจจติสังขาสังขารทั้งปวงนะมันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแล้วนะเราจะยึดให้มันเป็นของเที่ยงเป็นไปไม่ได้ความรักเราจะแสวงหามันยังไงให้มันตั้งเที่ยงตั้งมัน่นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปใส่ใจมันเพราะมันไม่มีแก่นสารไม่มีสาระ อันควรค่าเพื่อที่จะให้ใจเรายึดและถือเอาไว้เราก็ปล่อยปล่อยไว้ไงอยู่กับสติที่มันระลึกรู้เนี่ยสบายๆอยู่อย่างนี้มันดีกว่าเยอะใจเราก็ไม่หนักใจเราก็ไม่แน่นใจเราก็ปลอดโปร่งเบาสบายสว่างสวายอยู่ได้สับเบสั้างฆาราอนิจจติยะดาปัญญายปัสสติสังขารทั้งปวงนะไม่เที่ยง ยดาปัญญายปสติเมื่อใดที่เรารู้เห็นด้วยปัญญาโดยชอบรู้เห็นด้วยปัญญาโดยชอบอาทะนิ บ, บินติดุเขะลำดับนั้นเราก็จะเบื่อหน่ายในความทุกข์นั้นเพราะมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารที่เราจะไปยึดมันไว้ผูกเอาไว้ เพราะยังไงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไอตอนเราดับไปเนี่ยเราก็ต้องไปหาใหม่หาอันใหม่มันหน่าเบื่อหาอันใหม่แล้วก็าจะรักษารักษาย่างไงมันก็ไม่อยู่มันก็ต้องดับไปเรายังยินดีพอใจในการหาหาหาใหม่หาใหม่หาใหม่หามาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆหรือเพราะความเป็นจริงมันคือสัพเบสังฆารอาอนิจจาสังขารมันไม่เที่ยง อัฐานิบินตติโดโเคเมื่อนั้นนะเราจะเบื่อหน่ายในกองทุกข์ได้เอสมัมโกวิสุทธิยานี่นี่แหละเอ ส, นกกสนันี่แหละมัคโคคือนี่แหละคือทางคือเอสัมกโควิสุตติยาเป็นไปเพื่อความหมดจดเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจ เอสัมะโควิสุทธิยาเพราะฉะนั้สำคัญมากๆก็คือการที่เราจะเห็นเห็นสังขารทั้งปวงว่ามันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกขงังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นสติใจที่มันไปผูกไว้กับสติจึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากนะ เพราะอะไรเพราะการที่เรามีสติอยู่กับเอาใจมาอยู่กับสติฉเฉพาะหน้าได้อย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นนี่แหละว่าเวลาที่เราเข้าสมาธิเราพยายามรักษาใจเราอยู่อย่างนี้เรามีความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็ตามสักพักหนึ่งเนี่ ย, ยมันดึงใจเราไปเข้าไปในความคิดเข้าไปเป็นภพในความคิด ไม่ว่าความคิดนั่นจะเป็นในเรื่องของอดีตมันก็ไปสวยอารมณ์ของอดีตไปคิดเนืกอปรุงแต่งในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงมันก็กินเงาไปมันพายับแดดอะลรกินไปเรื่องโอยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้เพราะสติที่เป็นสัมมาสติเกิดขึ้นอีกเราก็รู้ว่าเราหลงเข้าไปในความคิดแล้ว เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วเป็นตัวละครอยู่ในนั้นแล้วเราก็ดึงใจของเรากลับมาไว้ที่ลมหายใจวางไว้ที่สติฉเฉพาะหน้าอีกเราก็จะเห็นว่าโอ้เมื่อกี้เราเผลอแล้วเผลอเข้าไปในความคิดเผลอเข้าไปเป็นพบเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในความคิด เห็นแบบนี้ดีไหมดีมากดีมากแต่แต่อย่าให้เห็นเฉพาะในตอนที่เรามานั่งขัดสมาธิอย่างเดียวให้มันเห็นทุกๆขณะในชีวิตประจําวันของเราเพราะอะไรเพราะการที่เราเห็นเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิมันก็ดีนั่นแหละ สิ่งที่มันยากเนี่ยไม่ใช่ยากเพราะเป็นไอการเป็นไม่ยากเหมือนพวกนักกีฬานะนักกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแชมป์เนี่ยไม่ไม่ยากแต่รักษาแชมป์ให้มันได้เนี่ยยากกว่าไอนี่ก็เหมือนกันการเข้าไปรู้เห็นในสภาวธรรมต่างๆมันไม่ใช่เรื่องที่ ที่ยากแต่สิ่งที่มันยากกว่าการที่เข้าไปรู้เห็นสภาวธรรมคือการที่ทำให้มันชํานานทำให้มันเป็นสมบัติของเราอย่างจริงๆ จ, จังๆการที่เราเห็นแวบๆบแบบออกจากสมาธิเราก็ใช้ชีวิตแบบเก่าไม่ได้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายความคิดนึกปรุงแต่งจิตของเรามันก็ขโมยเข้าไปขโมยหนีไปทางตา ไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสด้วยเฉพาะความคิดนึกปรุงแต่งของเราเองว่างเมื่อไหร่ก็เข้าไปในแหละเข้าไปในพบความคิดนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็โอ้ยปฏิบัติทำ ม, มาไม่รู้กี่ปีกี่ปีก็ไม่รู้ว่าความก้าวหน้ามันอยู่ตรงไหนไม่ได้ไม่ได้ไไดสักทีความสบายใจมันก็ ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรเท่าไหร่เออเดี๋ยวพอนั้นเฮ้ยไปเข้าคอสตปฏิบัติธรรมหาเวลาเข้าคอสปฏิบัติธรรมมันก็ดีตอนนี้แหละตอนนั่งหลับตานี่แหละแต่ตอนลืมตาอยู่ในชีวิตประจำวันนี่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามันสิงสนามซ้อมไงมันไม่ใช่สิงสนามจริงเราต้องพัฒนาให้ตัวเองมันเปลี่ยนจากสิงสนามซ้อมมันไปสิงสนามจริงให้มันได้ เข้าวคอสปฏิบัติทำดีไหมเป็นเรื่องจําเป็นไหมจําเป็นเป็นเรื่องดีแต่มันเป็นแค่สนามซ้อมมันเป็นแค่สนามที่ฝึกทักษะให้กับเราแต่สนามจริงโลกของความเป็นจริงถ้าเราสอบไม่ผ่านเรายังอยู่ในโลกของความเป็นจริงในแบบที่ผลลัพธ์เป็นแบบเก่าๆก็ไม่ต่างอะไรมันจะไปถึงประมังสุขขังไม่ได้ เพราะชีวิตแบบเก่ามันไม่ประมังสุขขังไงเราก็ย้อนกลับชีวิตไปแบบเก่าออกจากคอสปฏิบัตทรรมก็ไปเป็นนายกรนายขอแบบเก่านางกรนางขอแบบเก่าใช้ชีวิตแบบเก่าความทุกข์มันก็มีแบบเก่าแล้วก็มาบ่นว่าฝึกสติแทบตายฝึกสมาธิแทบตายก็ยังมีทุกข์อยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าพวกนักหลบ ไม่ใช่นักรบเราต้องเป็นนักรบอยู่ในสนามจริงเรต้องไม่ท้อถอยสู้ตลอดสู้นี่ไม่ใช่เอามีดเอาเปืนไปไล่ฟันกันไม่ใช่จะสู้อยู่กับนี่แหละความเผลอเผลอสติจากสัมมาสติที่มันเปลี่ยนไปเป็นมิจฉาสตินี่แหละ พอพูดบอกให้มีสติให้มีสติเราก็เอ๊ะทำไมเราไม่มีสติเลยมีทุกคนมีสติทั้งนั้นแหละแต่สติที่มันเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำนัดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความดับนิพพานที่มันเป็นไปเพื่อหกอย่างเหล่านี้ สติที่มันเป็นไปเพื่อหกอย่างเหล่านี้เราไม่ได้ทําให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งมันก็คือสัมมาสติอะไรนะแต่สติที่เรามีทุกวันนี้เป็นไงเป็นไปเพื่อความไม่หน่ายความกําหนัดความไม่รู้พร้อมความไม่รู้ยิง่งเป็นไปเพื่อความไม่ดับเป็นไปไม่เป็นไปเพื่อนิพานเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เราต้องคอยสํารวจตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ ว, ว่าสติสัดส่วนของส ต, สติที่เรามีในแต่ละวันแต่ละวันในสนามจริงของเรา เ, เราทําให้สัมมาส ต, สติมันเกิดขึ้นให้มันมีสัดส่วนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไหมถ้าให้มันละเอียดละอลงไปอีกแล้วก็ส่องลงไปในใจเราไปอีกว่าไม่ใช่ว่า เราไปปฏิบัติธรรมเขาให้อยู่กับพุทโธหรือให้อยู่กับลมหายใจนะแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูอยู่ไอ้นี่มันสักแต่ว่าดูนะใจมันไม่ได้อยู่ใจมันอยู่ไหนใจมันไปอยู่ที่ออยากเนี่ยอยากให้มันสงบอยากให้มันดีเพราะอะไรเพราะเรามีความคิดว่าอยู่กับพุทโธแล้วมันดีอยู่กับลมหายใจแล้วมันดี พอเราหลับตาหรือว่าเราดูลมหายใจเราก็ใจมันขโมยหนีไปแล้วพุทธโธมันก็เห็นอยู่ลมหายใจมันก็เห็นอยู่แต่ใจมันไม่อยู่นะเาเรียกว่าความใส่ใจของเราเนี่ยมันไปอยู่กับความอยากสมบต์ความอยากมันขโมยขโมยใจของเราไปแล้วเราเท่าทันสิ่งเหล่านี้ไหมเราเป็นผู้ละเอียดละเอียดในวาระจิตของตนไหม ถ้เราสักแต่ว่าทําไม่ละเอียดในวาระจิตของตัวเองแล้วเนี่ยผลที่ได้มันก็ได้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดีนะก็ต้องให้มันละเอียดรอในวาระจิตของตนรู้จักใจของตนแล้วฝึกสมาธิฝึกสติเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้จักใจของตัวเราเองให้เราเป็นผู้รู้เท่ารู้ทันในวาระจิตของตัวเอง รู้เท่ารู้ทันใจของตัวเองว่าใจของเราตอนนี้มันอยู่กับอะไรกันแน่มันอยู่กับในสิ่งที่เราจะให้อยู่หรือเปล่าเราบอกเราจะให้อยู่กับลมหายใจที่สติเฉพาะหน้ามันอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงสำรวจไม่ไยากสำรวจที่ความใส่ใจของเราไงว่าความใส่ใจความสนใจของเราเนี่ย มันยังอยู่กับเรื่องนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันขโมยไปเป็นอยู่กับความอยากหรือว่ามันขโมยหนีไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคอยคอยหมั่นที่จะรักษาใจแบบนี้คอยหมั่นที่จะตรวจสอบใจอยู่อย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ละเอียดลึกซึ้งในวิถีแห่งใจในวิถีการดำเนินวาระแห่งใจของเรา เราก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาใจดีขึ้นจิตตังคุดตังสุข้าวหั่นจิตที่คุ้มครองดีแล้วน่ะนำสุขมาให้เพราะอะไรเพราะเราคุ้มครองดีแล้วเนี่ยมันอยู่กับในสิ่งที่มันควรจะอยู่มันอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่เป็นที่ที่มันไม่เร่าร้อนเป็นที่ที่มันไม่รุ่มร้อนเป็นที่ที่มันจะไปถึงความว่างความวางความปล่อยวางได้ มันสำคัญอยู่ตรงวาระจิตของเรานะเพราะเรารู้แล้วใจเราเนี่ยเบื่อเศร้าเหงาเซงหรือเปล่าหรือมันขโมยหนีไปเรื่องไหนนั่งไปนั่งไปมันก็ปวดกับเมื่อยแหะเป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่ใจเรามันอยู่กับปวดกับเมื่อยหรือเปล่ารู้ว่ามันขโมยหนีไปเราก็ดึงกลับมาแค่นั้นเองพยายามให้มันอยู่กับสติที่มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่เกาะเกี่ยวกับอะไร มันก็เป็นธรรมชาติที่มันเกิดแล้วมันก็ดับเหมือนกันแต่เป็นธรรมชาติที่มันเบาสบายปลอดโปร่งไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์ดึงสตินะปล่อยมันจะปล่อยอารมณ์ในใจนะนจริงๆเวลาเราเห็นอารมณ์ในใจเนี่ยเห็นความที่เป็นราคะโทสะโมหะโลภะ่เงี้ยเราก็อยากจะเข้าไปแก้มันนั่นล แตเข้าไปแก้เมันมันมันมันมันไม่ใช่แก้อย่างนั้นนะราแก้เราก็แก่เห็นโทษอ่ะแต่ไม่ได้เห็นโทษด้วยกันจะเอาคลุกเอาตัวเราไปคลุกอยู่ในในก้อนอารมณ์มันั้นตัวนั้นมันดีมันก็ผ่องใสมันดีมันก็สว่างมันดีมันก็แจ่มช่มชื่นแต่มันไม่ใช่สิ่งดีจริงนะมันไม่ใช่ก้อนดีจริงเพราะมันมีสองสาย พราะมันมีเศร้าหมองเพราะมันมีขุ่นมัวนะเราจึงแต่พอเราเห็นผ่องใสแล้วก็มีความยินดีเราก็อยากจะรักษาให้มันได้อยากจะรักษาให้มันดีเพราะเรารู้สึกว่าจิตนี้ที่มันดีคือจิตที่มันผ่องใสอย่างนี้หละจิตที่มันสะอาดจิตที่มันเยือกเย็นสบายอย่างนี้เลยมันก็ถูกแต่เราไม่ได้รักษาวิ่งเข้าไปรักษามันตรงนั้น เรารักษามันโดยการที่เราสลัดมันออกไปเอาใจของเราแทนที่จะเอาความรู้สึกของใจเราไปผูกกับความดีงามเยือกเย็นผ่องใสอันนั้นดึงเอามาไว้ที่สติเฉพาะหน้าของเราแล้วเราก็จะเห็นได้แหละว่าการที่ใจเราไปผูกกับความดีก็ตามแต่ความดีอันนี้มันก็แปลเปลี่ยนไปได้ แล้วเราก็พยายามทำให้มันดีกลับขึ้นมาใหม่แล้วมันก็แปลเปลี่ยนไปอีกหรือมันจะเล็กน้อยก็ตามมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะไปเห็นว่าเป็นดีโดยถ่ายเดียวเห็นโทษของมันถ้าเราอยากเอาตัวตนตั ว, ต ว, ตวเราไปฝากเอาไว้อยู่ตรงนั้นมันก็ยังมีความลาบากอยู่แต่ถ้าเราอยากให้มันดีกว่านี้ ก็สลัดมันออกไปอย่าไปเอาความดีความงามกับมันมากแค่สักแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นของมีอยู่ดีก็รู้ว่ามันดีมันอาจจะไม่ดีอาจจะเฉยๆก็รู้ว่ามันไม่ดีก็แค่รู้มันไปแต่อย่าเอาใจไปผูกเอาใจเอาความใส่ใจของเราเนี่ยเอากลับมาวางไว้ที่ผู้รู้ผู้ดูคือสติเฉพาะหน้าของเราเอาวางไว้ตรงนี้แหละ มันจะไปถึงจุดที่ท่านบอกว่านัตติสันติปรังสุขขังอย่างจริงๆนะถ้าเราเอาใจของเราเนี่ยวิ่งลงไปข้างล่างเกาะกับไอความผ่องใสเกาะกับไอความเยือกเย็นมันก็ยังยังไม่ปรังสุขขังโดยถ่ายเดียวถ้าเรายกใจ กลับมาไว้ที่สติเฉพาะหน้าอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยเป็นทางเอะมัคกโกวิสุทธิยาทำให้มันหมดจดได้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรต้องแบกไม่มีอะไรต้องถือแล้วก็เป็นปรังสุขขังโดยแท้ที่ได้แสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้ เอวัง